สัญญาสติความจำมักมีความเข้าใจสับสนกันในเรื่องความจำว่าตรงกับธรรมะข้อใดคำว่าสัญญาก็มักแปลกันว่าความจำคำว่าสติโดยทั่วไปแปลว่าความระลึกได้บางครั้งก็แปลว่าความจำ และมีตัวอย่างที่เด่นเช่นพระอานนท์ได้รับยกย่องเป็นเอตัทัคคะในทางทรงจำพุทธพธ์คำบาลีในกรณีนี้ท่านใช้คำว่าสติดังพุทธพ์ว่าอานนท์เป็นเลิศกว่าประดาสาวกของเราผู้มีสติเรื่องนี้ในทางธรรมะไม่มีความสับสนความจำไม่ใช่กิจของธรรมะข้อเดียว แต่เป็นกิจของกระบวนรธรรมะและในกระบวนรธรรมะแห่งความจำนี้สัญญาและสติเป็นองค์ธรรมใหญ่ทำหน้าที่เป็นหลักมีบทบาทสำคัญที่สุดสัญญาก็ดีสติก็ดีมีความหมายคาบเกี่ยวและเลื่อม ก, กันกับความจำกล่าวคือ ส่วนหนึ่งของสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของความจำอีกส่วนหนึ่งของสัญญาอยู่นอกเหนือความหมายของความจำแม้สติก็เช่นเดียวกัน yani. ส่วนหนึ่งของสติเป็นส่วนหนึ่งของความจำอีกส่วนหนึ่งของสติอยู่นอกเหนือความหมายของกระบวนการทรงจำข้อที่พึงกำหนดหมาย แล้วระลึกไว้อย่างสำคัญคือสัญญาและสติทำหน้าที่คนละอย่างในกระบวนการทรงจําสัญญากำหนดหมายหรือหมายรู้อารมณ์เอาไว้เมื่อประสบอารมณ์อีกก็เอาข้อที่กำหนดหมายไว้นั้นมาจัดเทียบหมายรู้ว่าตรงกันเหมือนกันหรือไม่ถ้าหมายรู้ว่าตรงกัน เรียกว่าจําได้ถ้ามีข้อต่างก็หมายรู้เพิ่มเข้าไว้การกาหนดหมายจําได้หรือหมายรู้อารมณ์ไว้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ใช่นั่นใช่นี่คือการเทียบเคียงและเก็บข้อมูลก็ดีเิ่งที่กาหนดหมายเอาไว้คือตัวข้อมูลที่สร้างและเก็บไว้นั้นก็ดีเรียกว่าสัญญา ตรงกับความจำในแง่ที่เป็นการสร้างปัจจัยแห่งความจำลักษณะสำคัญของสัญญาคือทำงานกับอารมณ์ที่ปรากฏตัวอยู่แล้วกล่าวคือเมื่ออารมณ์ปรากฏอยู่ต่อหน้าจึงกำหนดได้หมายรู้หรือจำได้ซึ่งอารมณ์นั้น สติมีหน้าที่ดึงอารมณ์มาสู่จิตเหนี่ยวอารมณ์ไว้กับจิตคุมหรือกากับจิตไว้กับอารมณ์ดึงเอาไว้ไม่ยอมให้ลอยผ่านหรือคลาดกันไปจะเป็นการดึงมาซึ่งอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วหรือดึงไว้ซึ่งอารมณ์ที่จะผ่านไปก็ได้สติจึงมีขอบเขตความหมายคลุมถึงการระลึกนึกถึง นึกไว้นึกได้ระลึกได้ไม่เผลอตรงกับความจำเฉพาะในส่วนที่เป็นการระลึกและความสามารถในการระลึกด้วยเหตุนี้สติจึงเป็นธรรมะตรงข้ามกับสัมโมสะซึ่งแปลว่าการลืมแต่สัญญาไม่คู่กับลืม สติเป็นการริเริ่มเองจากภายในโดยอาศัยพลังแห่งเจตจำนงในเมื่ออารมณ์อาจจะไม่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเป็นฝ่ายจำนงต่ออารมณ์จึงจัดอยู่ในพวกสังขารสัญญาบันทึกเก็บไว้สติดึงออกมาใช้สัญญาดี คือรู้จักกำหนดหมายให้ชัดเจนเป็นระเบียบสร้างขึ้นเป็นรูปร่างที่มีความหมายและเชื่อมโยงกันดีซึ่งอาศัยความใส่ใจและความเข้าใจเป็นต้นอีกต่อหนึ่งก็ดีสติดีคือมีความสามารถในการระลึกซึ่งอาศัยสัญญาดีและหมั่นใช้สติตลอดจนสภาพจิต ที่สงบผ่องใสตั้งมั่นเป็นต้นอีกต่อหนึ่งก็ดีย่อมเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้เกิดความจำดีนายแดงกับนายดำเคยรู้จักกันดีแล้วแยกจากกันไปต่อมาอีกสิบปีนายแดงพบนายดำอีกจำได้ว่าผู้ที่ตนพบนั้นคือนายดำแล้วระลึกนึกได้ต่อไปอีกว่า ตนกับในดำเคยไปเที่ยวด้วยการที่นั่นที่นั่นได้ทำสิ่งนั้นๆเป็นตน้นการจำได้เมื่อพบนั้นเป็นสัญญาการนึกได้ต่อไปถึงเรื่องราวที่ล่วงแล้วเป็นสติวันหนึ่งในกอได้พบปะสนทนากับในขอต่อมาอีกหนึ่งเดือน นายกอถูกเพื่อนถามว่าเมื่อเดือนที่แล้ววันที่เท่านั้นเท่านั้นนายกอได้พบป่าสนทนากับใครในายกอนึกทบทวนดูก็จำได้ว่าพบป่าสนทนากับนายขอการจำได้ในกรณีนี้เป็นสติเครื่องโทรศัพท์ตั้งอยู่มุมห้องข้างหนึ่ง สมุดหมายเลขโทรศัพท์อยู่อีกมุมห้องด้านหนึ่งในเขียวเปิดสมุดหาหมายเลขโทรศัพท์ที่ตนต้องการพบแล้วอ่านและกำหนดหมายเลขเอาไว้แล้วเดินไปกดหมายเลขที่เครื่องโทรศัพท์ตามต้องการระหว่างเดินไปนั้นก็นึกหมายเลขนั้นไว้ตลอดการอ่านและกำหนดหมายเลขที่สมุดโทรศัพท์เป็นสัญญา การนึกหมายเลขนั้นตั้งแต่ละจากสมุดโทรศัพท์ไปเป็นสติเมื่ออารมณ์ปรากฏอยู่ต่อหน้าแล้วก็กำหนดหมายได้ทันทีแต่เมื่ออารมณ์ไม่ปรากฏอยู่และถ้าอารมณ์นั้นเป็นธรรมอารมณ์คือเรื่องในใจก็ใช้สติดึงอารมณ์นั้นมาแล้วกำหนดหมาย อันหนึ่งสติสามารถระลึกถึงสัญญาคือดึงเอาสัญญาที่มีอยู่เก่ามาเป็นอารมณ์ของจิตแล้วสัญญาจะกำหนดหมายอารมณ์นั้นสำทับเข้าอีกให้ชัดเจนแน่นแฟนยิ่งขึ้นหรือกำหนดหมายแนวใหม่เพิ่มเข้าไปตามวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็ได้